ร, ราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารภราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเทระได้ยินว่าพระเทระไปสู่สำนักของพราหมณ์นั้นว่าทำกุศลอะไรลุงว่าให้ทานบริจาคทรัพย์เดือนละพันหนึ่งแก่พวกนิครนคือนักบวชนอกศาสนาทำละปรารถนาโพรมโลก พระเถระกล่าวว่าท่านลุงไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม่อาจารย์ของลุงที่เป็นนิครนก็ไม่รู้แต่พระสัสดาพระองค์เดียวทรงรู้จึงพาลุงไปเฝ้าพระสัสดาพระสัสดาทรงตรัสพระคถาว่าผู้ใดบูชาทรัพพันหนึ่งทุกเดือนสิ้นหนึ่งร้อยปีส่วนการบูชานั้นนั่นแหละของผู้ที่พึงบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วคนเดียวแม่ครู่หนึ่ง ประเสริฐกว่าการบูชาของผู้นั้นการบูชาสิ้นหนึ่งรปีจะประเสริฐอะไรเล่าอธิบายคําว่าบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วคนเดียวหมายถึงโดยเบื้องต่ําตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปโดยที่สุดเบื้องสูงเป็นพระขี่นาศพคือพระอระหันต์ด้วยอํานาจถวายภิกษาทัพพีหนึ่งพ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ด้วยเพียงถวายผ้าเนื้ อ, อยาบูชาผู้นั้นนั่นแหละประเสริฐล้ำเลิศสูงสุดกว่าความบูชาอันบุคคลนอกนี้บูชาแล้วสิ้นหนึ่งร้อยปีในเวลาจบเทศนาพรามนั้นบรรลุโสดาปฏิพลแล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ เรื่องพรามผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันส่งปรารบหลานของพระสารีบุตรความพิสดารว่าพระเทระเข้าไปถามหลานว่าทํากุศลอะไรทราบว่าหลานฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งไปบํำเรอไฟทุกเดือนเพื่อทางไปแห่งพรหมโลกพระเทระจึงพาหลานไปเฝ้าพระศาสดา ราศสสดาทรงตรัสว่าพระมณ์การบมเรอไฟของท่านแม้ตั้งหนึ่งปียอมไม่ถึงแม้การบูชาสาวกของเราเพียงขณะเดียวจึงทรงตรัสพระคถาว่ากสัตย์ใดพึงบาเรอไฟในป่าตั้งร้อยปีส่วนเขาพึงบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วผู้เดียวแม้ครู่หนึ่งการบูชานั่นแหละประเสริฐกว่าการบูชาตั้งร้อยปี การบูชาต้องร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่าในเวลาจบเทศนาพราหมณ์นั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวัน ทรงแปล ร, รบพรามผู้เป็นสหายของพระสาวรีบุตรความพิสดารว่าพระเทระเข้าไปหาสหายเป็นพรามคนหนึ่งถามถึงการทําบุญกุศลอะไรบ้างทราบว่าทำกุศลด้วยการบูชายันบริจาคทรัพย์อย่างมากเพื่อหนทางไปแห่งพรหมโลกคืออยากไปเกิดเป็นพรหมจึงพาไปเฝ้าพระศัสดาพระศัสดาทรงตรัสว่าพราม ฐานที่ท่านบูชาอย่างที่เขาบูชากันให้แก่โลกียะมหาชนตั้งปียอมไม่ถึงแม่เพียงหนึ่งในสี่ส่วนแห่งกุศลที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายผู้ไหว้สาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าผู้มุ่งบุญพึงบูชายันและทำบวงสวงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกตลอดปีทานนั้นแม้ทั้งหมดไม่ถึงหนึ่งในสี่ส่วน แห่งการอภิวาทในท่านผู้ดำเนินตรงประเสริฐสุดในการจบเทศนาปราบลุโซดาปฏิผลแล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ